ก็จเจริญพรนะโยมดูนะว่าเมื่อมีการตั้งปัญหามีการถามขึ้นมาเนี่ยโยมรู้สึกว่ายากไหมในการตอบโยมคิดโยมค้นพยายามที่จะส่งคำตอบให้ได้เนี่ยมันเหนื่อยไหมมันยากไหมหลวงพ่อเองเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เคยได้ยินได้ฟังแต่ตอนนี้มันจำไม่ได้ หมายความว่าจําไม่ได้ตามตามพระสูตรหรือตามเรื่องราวในที่มันเป็นเรื่องจริงนะว่าเออที่พระพุทธเจ้าถามอย่างนี้อ่าแล้วก็โยมผู้หญิงคนนั้นก็ตอบอย่างนั้นเนี่ยถามไปถามมามันก็เหมือนกับว่าเล่นลิ้นกันนะคนทั่วไปก็ฟังเหมือนกับเล่นลิ้นกันแต่จริงๆอพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ท่านก็ก็รู้จริงเหมือนกันแล้วก็ต่อไปเนี่ยตรงใจพระพุทธเจ้าหมดเลยคือคือถูกต้องนะ แต่เรื่องพวกนี้บางชีนะมันเป็นเรื่องถ้าเราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราจำได้พอจำได้เสร็จแล้วบวกกับสภาวะที่ตัวเองมีเนี่ย<ม>ก็สามารถที่จะตอบได้แต่การตอบได้เนี่ยเขาเรียกว่าตอบจากการได้ยินได้ฟังมายังหลวงพ่อตอนนี้ตื้อหมดเลยนะตื้อก็คือจำไม่ได้ละว่าเป็นยังไงแต่สิ่งที่หลวงพ่อมองในปัจจุบันตอนนี้ว่าการรู้ตัวเองเนี่ยง่ายที่สุดง่ายที่สุดก็คือรู้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้อง ไม่ต้องถามใครแล้วก็ไม่มีคำถามไม่มีคำตอบเพราะการรู้ตัวเองเนี่ยทุกคนก็รู้จักตัวเองอยู่ใช่ไหมตัวคนอื่นก็รู้จักและตัวเองก็รู้จักเพราะนั้นการรู้ตัวเองในปัจจุบันเนี่ยจึงเหมือนกับว่าไม่ต้องใช้ความคิดเลยไม่ต้องใช้ความจําด้วยซ้ำถ้ามีประสบการณ์ในการรู้ตัวเองที่รู้เป็นแล้วรู้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยรู้เลยบางทีสมมติว่ากาลังหลงลืมอยู่แต่หากมีคนมาถามว่ารู้จักตัวเองไหม แน่นอนทันทีเลยรู้จักตัวเองคือไม่ต้องย่นเยอะไม่ต้องเรื่องยาวทันทีแต่บางครั้งบางคราวมันก็ไปรู้เรื่องอื่นรู้นอกตัวอย่างเมื่อกี้เนาะสมว่าเราพยายามจะคิดเพื่อให้รู้เนี่ยออคิดกันตาเหลือกตาตั้งังเลยคิดจนเวียนหัวคิดไม่ออกอันนี้ขณะที่คิดแบบนี้ลืมตัวไปละแต่ถ้ารู้สึกตัวก็คือรู้เลยว่าโอ้โหปั่นใหญ่เลยปั่นคิดเพื่อจะให้รู้ แต่การที่จะที่มันกําลังปั่นเนี่นะหมายความก็กำลังคิดคิดคิดคิดคิดแล้วก็รู้ขึ้นมาว่าอ๋อตอนเนี้ยกําลังคิดอยู่ตอนเนี้รู้เรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเนา ะ, ะการตอบคําถามเนี่ยมันก็ยากอยู่เพราะว่าต้องคิดต้องคิดเลยอย่างของโยมเพลิ่นนึกออกไหมกว่าจะคิดได้กว่าจะคิดออกคิดคิดคคิดแต่มันไม่ผิดไม่ถูกนะแต่ว่าหมายความว่าสังขารเนี่ยความคิดเนี่ยกําลังปรุงแต่งกําลังคิดอยู่เนาะ แต่มันก็คิดแล้วก็ตอบมาตามที่คิดนะแต่การรู้ตัวเนี่ยมันไม่อาศัยความคิดคือรู้รู้แบบไม่คิดเออเพราะนั้นเนี่ยหลักการปฏิบัติธรรมที่เขาบอกว่ารู้ตัวจริงจริงมันเป็นเรื่องเรียบง่ายถ้าเข้าใจนะเป็นเรื่องเรียบง่ายแล้วก็ตอบได้ตรงประเด็นก็คือรู้เลยไม่ต้องไม่ต้องจาใครมาไม่ต้องลอกใครมาแล้วก็ไม่ต้องถามใครมาว่ารู้ตัวเองหรือเปล่าเนาะมันรู้ไปเลย ตรงเนี้คือหลวงพ่อต้องการเสื่อให้เห็นว่าการรู้ตัวเนี่ยจริงๆมันไม่ยากหรอกแต่ที่ไม่ใช่เรื่องรู้ตัวเนี่ยยากมากยากยังไงหรือไม่ก็เอาตามคําถามที่อาจารย์พลอยถามเมื่อสักครู่เนี่ยคิดกันไม่ออกในตอนเนี้ยังคิดไม่ออกนะยมดูดิมันยังคิดไม่ออกแล้วจะคิดยังไงแล้วถึงแม้ว่าคิดออกมันก็เป็นความคิดที่เราคิดขึ้นแต่เรื่องของอในเหตุการณ์ใน ทการเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนคือพระพุทธเจ้ากับกับผู้หญิงคนนั้นซึ่งเขารู้กันในขนาดนั้นนะรู้กันเลยรู้แต่ทีนี้จะให้เรารู้เขาเนี่ยยังไงมันก็ไม่เหมือนกันมันเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของเป็นปัญญาเนาะเป็นปัญญาเฉพาะแต่ละบุคคลนะซึ่งเราเนี่ยจะไป จะไปเป๊ะเป๊ ะ, ปะเนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างดีก็เราก็คือได้ยินได้ฟังแล้วก็คล้อยตามแล้วก็เออเห็นด้วยเขาเรียกว่าเห็นด้วยมันลงใจใจเห็นด้วยอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยสมมว่าหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าเออความพ้นทุกข์เหมือนกับว่าอะไรนะเชือกขาดใช่ไหมก็มีคนมาถามบอกว่าเชือกขาดของหลวงพ่อเทียนมันคืออะไรอ่ะหลวงพ่อตอบคำเดียวเลยต้องไปถามหลวงพ่อเทียนคนอื่นตอบก็แค่อาศัย เอ่ออาศัยหลักคิดบ้างแล้วก็เอาสภาวะที่ตัวเองมีบ้างแล้วก็ไปเทียบเคียงแต่ยังไงยังไงมันก็ไม่ใช่หลงพ่อเทียงอันนี้ก็คือเพื่อชีย่ยวเห็นว่าบางครั้งบางคราวเนาะเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละคําถามทุกเรื่องที่ที่เราคุยนะสมมุติว่าถามกันมาเนี่ยมันก็ยากแก่การที่จะตอบแต่ก็ต้องตอบผิดถูกไม่ไม่ไม่ถือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสาระแต่ว่าก็ต้องตอบตามความคิดความเห็นเนาะ อเพื่อที่จะอะไรก็สื่อสารกันนะสื่อสารกันในทางเอเรียกว่าในการสนทนาเออ ย, าอย่างเรื่องนี้เดี๋ยวนิดตอนนี้หลวงพ่อก็ยังคิดไม่ออกเนาะยังคิดไม่ออกแต่ทีนี้ว่ามันคล้ายๆว่าอย่างนี้อันนี้จากที่จํานะคล้ายๆว่าเอออย่างที่เราจะไปไหนเนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ว่าจะไปไหนก็คือเอะจะตายแล้วไปไหนหมายถึงว่าดับขันเนี่ยเออจะไปไหนยังไง จริงๆอมันก็ไม่รู้สิจะไปไหนอะเนาะเออเพราะมันยังไ ม, ไม่ไม่ไม่ยังไม่ถึงเวลาจะจะไปก็เลยเอาเป็นว่าเรื่องเนี้หลวงตอนเนี้เดี๋ยวนี้หลวงพ่อยังจําไม่ได้เนาะแต่ถ้าเรามองกันตรงนี้ถ้ามองกันเรื่องปรามัตารธรรมนะธรรมะขั้นสูงเนี่ยที่สองวันมาเนี้ยหลวงพ่อพูดถึงสัจจะความจริงว่าไอ้เรื่องธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยสภาวะธรรมอะที่บอกว่าเห็นเป็นเห็น เห็นจะเป็นร you know like ูปเป็นรถเป็นกลิ่นเป็นเสียงไม่ได้เห็นก็ต้องเป็นเห็นนะแล้วก็รู้มันก็ต้องรู้ก็ต้องเป็นรู้จะเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้จะเป็นจำก็ไม่ได้จะเป็นคิดก็ไม่ใช่จะเป็นนึกก็ไม่ใช่รู้มันก็ต้องคือเป็นรู้มันเป็นอื่นไม่ได้นะทีนี้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจนะเราจะรู้เลยว่าสภาวะธรรมแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่มีบุคคลนะในสภาวะธรรมนั้นจะไม่มีบุคคล มีแต่สภาวะธรรมล้วนๆเลยนะที่มันเกิดขึ้นหรือมันดับไปเนี่ยตามเหตุตามปัจจัยนะแต่ในนั้นนะมันไม่มีคนไม่มีสัตว์จริงๆอย่างวันสองวันนี้ที่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องเรื่องสัตว์แต่ว่าเห็นนะถ้าใครได้ฟังแล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจได้เพราะว่ามีการยกตัวอย่างว่าสภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยมีอยู่จริงนะแล้วก็พิสูจน์กันเพื่อให้เห็นว่าสภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่เรา ในนี้มีคนใหม่ไหมหลวงพ่อจะได้ทบทวนคนพวกเราด้วยนะคนเก่าน ะ, ะคนใหม่สมมติว่าหลวงพ่อยกตัวอย่างเห็นแมวเอออย่างนี้ดีกว่ายกตัวอย่างว่ามีแมวเนี่ยคือเห็นจริงๆแล้วก็แมวแล้วก็มีตัวเราด้วยที่เป็นผู้ยืนดูแมวอยู่นะหลวงพ่อจะชี้อย่างนี้เลยว่าแมวแมวเนี่ยเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะแต่ก็ไม่ใช่เห็น แล้วก็ตัวเราที่ยืนดูอยู่เนี่ยมันก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เห็นทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็ต้องใช้คำคาใหม่เพื่อให้เกิดการเข้าใจขึ้นมาว่าแมวเป็นสิ่งถูกเห็นอ่าพอใช้ภาษาแบบนี้เออมันเข้าใจได้ว่าแมวเป็นสิ่งถูกเห็นตัวเราที่เป็นผู้ยืนดูแมวนะรู้อยู่เนี่ยว่ามีตัวเราเป็นผู้ยืนดูแมว เพราะฉะนั้นตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกันเห็นไหมตอนนี้เดี๋ยวนี้ยี่ถ้าใครมีแมวนะมองไปที่แมวก็เห็นแมวแล้วก็มันจะรู้ได้เลยคือจะเห็นตัวเราแต่มันไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อมันจะเห็นด้วยธรรมชาตินะ่ะธรรมชาติที่ ท, ท, ที่มีก็ เ, เรียกว่าเป็นธรรมชาติเห็นก็เห็นเราได้ว่าอ๋อเราเนี่ยอยู่ข้างๆแมวอย่างเนี้ยมีแมวตัวหนึ่งมีเราตัวหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นทั้งแมวก็เป็นสิ่งถูกเห็นตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็น แต่ธรรมชาติเห็นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ตัวเราทำไมจึงเรียกว่าไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าสภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยมันมาเห็นเราตรงนี้บ่งบอกหรือว่าชี้เห็นว่าสภาพเห็นกับตัวเราเนี่ยเป็นคนละอย่างกันแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเนี่ยมันแยกอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ได้พิณาอย่างเย็บคลายเนาะไม่ได้โยนิโสมนสิการหรือ ไม่มีคนมาชี้บอกพอไม่มีคนมาชี้บอกหรือขาดการสังเกตหรือปัญญามันไปไม่ถึงเนาะ <c oughs> ก็จะหลงผิดไปว่าเราเป็นผู้เห็นแมวเห็นไหม <c oughs> ก็ทุกวันเนี้ยถ้าถามว่าเคยเห็นแมวบางคนก็ <c oughs> ก็ผมอ่ะท่เคยจะมาเห็นเราเนี่ยผมอยู่กับแมวเนี่ยแมวมีตัวแล้วก็เราอยู่ตัว <c oughs> ผมเป็นคนเห็นหรือฉันเป็นคนเห็นอันเนี้ยก็อย่ายืนยันว่าผมเป็นคนเห็นหรือเราเป็นคนเห็นแต่ถ้าคนที่เรียนสูงๆเนาะ เรียนเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าอาจจะบอกว่าจิตเป็นคนเห็นก็ได้วิญญาณเป็นคนเห็นก็ได้หรืออาจจะบางคนอาจจะบอกว่าตาเป็นคนเห็นก็ได้อันนั้นเนี่ยเขาตะกล่ว่ายังเชื่อยังเห็นว่าอย่างนั้นอยู่แต่ความจริงเนี่ยถ้าฟัางที่หลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อเชื่อว่าน่าจะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรว่าเออสภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยมีอยู่จริงแล้วสภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยไม่ใช่แมว เพราะมันเป็นธรรมชาติคนและอย่างกันแล้วตัวเราที่เป็นผู้ยืนนะยมลองดูนะเป็นผู้ยืนเนี่ยเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วไงเห็นว่าเรายืนนะเห็นว่าเรายืนสมมติว่าเรานั่งดูแมวก็เห็นได้นี่ว่าเราอะนั่งดูแมวอยู่เห็นไหมเราเนี่ยที่เป็นผู้นั่งที่เป็นผู้ยืนเนี่ยเป็นสิ่งถูกเห็นแต่สภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยซึ่งมีอยู่จริงอะตรงนี้ใครปฏิเสธไม่ได้ว่ามีอยู่จริงแล้วมันจะเป็นเราได้ยังไงเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่รู้เรารู้ว่าเรายืนดูหรือว่ารู้ว่าเรานั่งดูหรือว่าเราอาจจะเดินดูก็ได้หรือนอนดูก็ได้ธรรมชาติเห็นเนี่ยก็จะเห็นเราถ้าเข้าใจอย่างเนี้ยเข้าใจเรื่องสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันจะปลดล็อกปลดล็อกความเห็นผิดว่ามีตัวเราเพราะตัวเราจริงๆไอ้ น, นี่ที่หลวงพ่อพูดแบบนี้เมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นผู้นั่งก็ดีเป็นผู้ยืนก็ดีเป็นผู้มองก็ดีนะมันยังแบบ เขาเรียกว่าโดยภาพรวมโดยภาพรวมคือทั้งตัวนะทั้งตัวก็คือไม่ใช่เราแต่ถ้าหากว่าจัดซอยย่อยลงไปอีกว่าทั้งตัวเนี้ยส่วนไหนเป็นเราไหมก็ต้องจําแนกแจกแจงแยกแยกแยกย ก, ก, กออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะก็ปรากฏว่าเรานั้นล้วนแต่เป็นสิ่งถูกเห็นหมดเลยเช่นเอาแขนตัดแขนดูซิว่าแขนเป็นตัวเราไหมแขนก็คือแขนนี่ถ้า พ, พูดภาษาแบบแบบสมมติเนาะ ตัวก็คือตัวแขนก็คือแขนอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวอยู่แล้วแขนเพราะมันเป็นส่วนแขนแต่ถ้ามองในแง่ของสภาพธรรมะที่เห็นก็อีกสิ่งหนึ่งแล้วมาเห็นอะไรมาเห็นแขนอ่ะสะภาพธรรมะที่เห็นก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วแขนก็เป็นสิ่งถูกเห็นมันก็ไม่ใช่เห็นซึ่งมันก็ไม่ใช่เราทีนี้ถ้าหากซอยย่อยซอยซอยย่อยเป็นเล็กๆล็กเ็กกเลกตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเราไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่าง ซึ่งไม่ว่าจะหยาบก็ดีจะละเอียดก็ดีจะใกล้จะไกล ก, ก็ดีมันก็เป็นศัพ์แต่ว่าหมดเลยคือเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่อาจจะเป็นคนเป็นสัพท์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติเพื่อถอดถอนความเห็นผิดเนาะก็ต้องได้ยินได้ฟังมาก่อนมันเป็นทางอาจจะเป็นส่วนช่วยเนาะทำให้เกิดปัญญาจากการได้ยินเขาเรียกว่าสุดจปัญญาเออแล้วก็เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมไปพิจารณานะเออัอนเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น จิตตามมายะปัญญาน้องไปพี่นาพี่นาตามพอพี่ณาตามเดี๋ยวก็เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาอันนี้เป็นภาวนามายะปัญญาเพราะนั้นปัญญาสมตัวเนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกันคือร่วมกันแล้วก็จะเข้าใจได้แต่เรื่องพวกเนี้เพื่อจะให้ถอดถอนอย่างสิ้นเชิงนะถอดถอนกันจริงๆไม่ไม่หลงมายึดถือไม่หลงมาเป็นอีกก็ต้องมีความเพียรเขาเรียกว่าสัมมายาโมก็ได้อ่ะแต่เพราะนั้นมันเป็นภาษาในทางธรรมะกันเนาะ มีความเพียรก็คือทั้งฟังนะทั้งพิจารณาแล้วก็มาลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วก็จะเข้าใจได้นะเข้าใจได้เร็วด้วยเพราะว่ามันได้ต้นทางแล้วเนี่ยได้ต้นทางก็คือจากการได้ยินว่าอ๋อทุกอย่างเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะเมื่อเป็นแต่ละอย่างเสร็จแล้วเอาแล้วมันมีเราตรงไหนอ่ะอ่ามันจะเริ่มเข้าใจขึ้นว่าไม่มีเราไม่มีเราทีนี้บางคนนะบอกว่ากบ คนผมยังมีความรู้สึกว่าเป็นผมอ่ะเออเนี่ย เ, เขาพูดดีนะเป็นคำถามดีดีเนี่ยยังไงยังไงก็ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเป็นเราอยู่เป็นเราอยู่หลวงพ่อเขาจะบอกว่าไอความรู้สึกน่ะมันก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะในถ้ามองไปแล้วในขันน์าความรู้สึกมันก็เป็นเป็นอะไรหล่ะจะจัดอยู่ในอะไรอ่ะเป็นเวทนาหรือหรือจะเป็น จริงๆอมันก็ทํางานร่วมกันเนี่ยเนาะความรู้สึกว่าเป็นเราเนาะมันต้องร่วมกันเพราะว่ามีสิ่งถูกเห็นแล้วก็มีผู้เห็นแล้วก็มีการรับรู้มีการอะไรมันก็ทํางานพรบเดียวก็กลายเป็นความรู้สึกว่ามีตัวเราทีนี้ก็ต้องมารู้ที่ความรู้สึกสิอ่หรือว่ามาเห็นถึงความรู้สึกว่าอ๋อความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกนี้มันคืออะไรมันก็คือสภาพธรรมะก็มีอยู่จริงเอสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงเนี่ยเพราะฉะนั้นอันใดก็ตามเป็น ที่เป็นที่มีอยู่จริงที่มีอยู่จริงอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นธรรมะเป็นสภาพธรรมะเอเอมื่อเป็นธรรมะมันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วเอมันไม่มีเราไอ้ที่มันเป็นเราอะ่ะเพราะความเข้าใจผิดความหลงผิดความความที่มันหลงผิดก็เรียกว่าเป็นอวิชชาเนาะยึดหลงผิดมาไม่รู้กี่เพราะกี่ชาติแล้วแล้วก็ไปยึดถือสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะไปยึดว่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเราอันเนี้ยเป็นของเราเออ ยึดยทุกสิ่งเลยที่เป็นธรรมะเออยึดยๆดยึยึดทีเนี้ยมันที่มันยึดเพราะอะไรเพราะว่ามันอาวิชาคือไม่รู้ไม่เห็นนะไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าจริงๆอ่ะมันเป็นแค่สภาพธรรมะแต่ละอย่างไม่เห็นเนี่ยไอ้ตรงที่ไม่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยมันมีปัญหาแต่ถ้าเห็นเมื่อไหร่นะมันก็จะเห็นว่าไอ้นั้นเป็นสิ่งถูกเห็นเออเป็นสิ่งถูกเห็นมันก็แจ้งดิเขาเรียกว่าเห็นแจ้งรู้แจ้งขึ้นมาเนาะสภาพธรรมะที่เห็นเห็นพอเห็นอะไรก็เห็น สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอันนี้เขาเรียกว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เห็นเขาเรียกว่ามืดมืดตึตตื้อไม่รู้จักอะไรเลยไม่เห็นเลยแต่ถ้ายิ่งปฏิบัตินะมีความเพียรมันก็ยิ่งเห็นยิ่งเห็นยิ่งเห็นยิ่งแจ้งยิ่งแจ้งอะหลวงพ่อยกตัวอย่างนะเอา้าเห็นตัวเราทั้งตัวเนี่ยสมมตินะเห็นตัวเราทั้งตัวเนี่ยไอเห็นครั้งแรกเนี่ยยากสุดๆ เ, เนี่ยเนี่ยคุยกันมาบางคนก็หลายนะคุยกันนานมากเลยบอกให้รู้ตัวเองให้เห็นตัวเองยังเห็นไม่ได้ เห็นตัวเองไม่ได้เออทั้งๆที่ยกตัวอย่างประกอบกันแล้วเห็นไม่ได้แต่ถ้าเมื่อเริ่มจับทางได้ว่าอ๋อการเห็นตัวเองนี่คือแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าได้ทางแล้วแล้วก็เพียรให้เห็นตัวเองบ่อยๆก็คือหมายว่าจะเดินก็ให้เห็นตัวเองตัวเองเดินจะนั่งก็ให้เห็นตัวเองนั่งจะนอนก็ให้เห็นตัวเองนอนตัวเองจะนอนยกแข้งยกขาก็เห็นตัวเองนอนแต่ไม่ใช่เราไปเห็นเรานะมันเป็นต้องมีสภาพธรรมะที่เห็นจริงๆเห็น เห็นเราได้จริงๆนะพอเห็นบ่อยๆมันก็ชํานานขึ้นดิชํานานก็หมายถึงว่าจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็เห็นไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันเคลื่อนไหวมันเดินมันนั่งมันนอนมันคู้มันเหยียดมันเข้าห้องน้ามันถ่ายอุจจาระมันถ่ายปัสสาวะก็เห็นมันหมดเลยอ่ะไอ้นี้พูดถึงเห็นเห็นเห็นตัวในลักษณะเห็นทั้งตัวแต่ว่าถ้าพูดนั่นแล้วมันคล้ายๆว่าเห็นเป็นรูปเห็นเป็นรูปประธรรมเนาะ แต่ถ้าให้ละเอียดเนี่ยสามารถเห็นจิตโน่นเห็นจิตเห็นความคิดเห็นความรู้สึกเห็นตัวพูดภาคในใจนะเออมันพูดภาคในใจก็เห็นรู้เห็นทั้งรู้ทั้งเห็นเมื่อแจ้งอยู่อย่างเนี้ยมันก็ไม่เข้าไปเป็นมันไม่ไม่เข้าไปยืดเพราะมันรู้ว่าสภาพธรรมะสิ่งถูกเห็นกับสภาพธรรมะเห็นเนี่ยมันเป็นคนละสิ่งกันเมื่อเห็นคนละสิ่งแบบเนี้ยมันตั้งมั่นก็ได้ตั้งก็ตั้งมั่นก็คือไม่หลงไม่ติดไม่เป็นไม่ไม่แช่ไม่ไม่ ไม่หลงเหมือนเมื่อก่อนเพราะมันได้เห็นแจ้งอยู่เออมันก็หลุดออกมาหลุดออกมาเป็นภาษาที่เราได้ยินบ่อยๆหลุดออกมาเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นเพราะฉะนั้นคําว่าเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นเนี่ยไม่ใช่เราเป็นผู้ดูไม่ใช่เราเป็นผู้เห็นแต่เป็นสภาพธรรมะที่ก็เลยว่ามีอยู่จริงกําลังดูกําลังเห็นอยู่อะตรงเนี้หลวงพ่อคิดว่านะที่พูดแบบเนี้ยมันมันจะเข้าใจไม่ยากหรอกแต่มันตรงที่เหลือว่าเอาถ้าเป็นอย่างนี้เวลาปฏิบัติเนี่ย มันทําไม่เป็นมันทําไม่ถูกทําแล้วเครียดหลวงพ่อบอกได้เลยไอ้ตอนที่ฟังเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่เพียงแต่ว่าฟังเพราะมีคนกําลังชี้ทางไม่ได้ปฏิบัติอะไรนะแต่พอบอกไปปฏิบัติเนี่ยมันเอาตัวเราไปปฏิบัติเนี่ยปัญหาเลยเอาตัวเราไปปฏิบัติพอเอาตัวเราไปปฏิบัติมันก็เครียดมันก็เหนื่อยเพราะอะไรค่ับก็มันมีตัวตนไปปฏิบัติแต่ตอนที่ฟังเนี่ยตัวตนไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่ามันกําลังฟังและก็เห็นตามอยู่เออ สภาพธารรมะที่เห็นก็เข้าใจได้ว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วไอ้ตัวเราที่ถูกเห็นมันก็เป็นสภาพธารรมะไม่ใช่ตัวตนมันก็เลยไม่มีน้ำหนักอะไรมันก็วังว่างๆเปๆล่าๆคือไร้ตัวตนแต่พอไปปฏิบัติอปฏิไม่เห็นไงไม่เห็นว่ามันสร้างมันไปยึดขนันห้ามาเป็นตัวตนแล้วว่าเออจากนี้ไปเราฟังแล้วเราเข้าใจเนี่ยมันเป็นตัวตนไปแล้วเราเข้าใจเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปปฏิบัติให้เห็นตัวเราโอ้ยมันผิดไปแล้ว มันติดไปแล้วตั้งแต่ตอนคิดนะคือไม่เห็นว่าอความคิดที่คิดเนี่ยมันเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเนาะพอไม่เห็นความคิดปั๊บมันก็เข้าไปเป็นผู้คิดก็คือเป็นเราคิดเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะปฏิบัติให้รู้ตัวเราเหมือนกับที่ได้ฟังมาเนี่ยมันเข้าไปเรียบร้อยแต่ถ้าเห็นว่าอ้าวมันมาคิดเออมันคิดนี่หวังอ่ะแค่เนี้ยหลุดจากความคิดไปไอ้ตรงที่หลุดจากความคิดเห็นความคิดนี่เนี่ยมันปฏิบัติเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่เห็นนะ โน่นข้ามพบข้ามชาติเลยชาตินี้ก็ยังตัวเรายัางไม่เห็นความคิดอ่ะเนาะก็เลยตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติตัวเราเป็นผู้ไปทำโน่นทํานี่อ่าอันนี้หลวงพ่อ ก, ก็ยกตัวอย่างประกอบนะแต่ทีนี้เมื่อพูดแล้วฟังอ่าะได้ฟังแล้วเนี่ยก็ไปทดลองไปทดลองปั๊บแล้วมันจะพบเองก่อนเลยว่าเอา้ามีตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วไอ้ตรงที่รู้ตัวเราตรงนั้นแหละมันจะหลุดพ้นทันทีว่าเออขนาดใดที่รู้ว่า มีตัวเราปฏิบัติเนี่ยตรงเนี้ยมันจะพ้นจากตัวเราทําไมมันพ้นอ่ะก็เพราะมันรู้สึกตัวเพราะมันรู้ตัวมันก็พ้นแต่ถ้าไม่รู้นะมันก็ติดไปเป็นตัวไปเป็นเราอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตอนนี้มันมีความหลงอยู่ก็เอาตัวเราไปปฏิบัติแหละเดี๋ยวก็จะเห็นเองว่าเอ้ามีตัวเราอีกแหละมีตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติอีกแอละถ้าเห็นตัวเรารู้ตัวเรามันก็หลุดทุกคราวไปอเพราะฉะนั้นบางคนก็ แบบเจ็บใจบอกเอ้ยปฏิบัติทำตั้งนานทั้งมยังมีตัวเราอีกดีอาการที่รู้ว่ามีตัวเรานั่นแหละเพราะว่ามันเป็นสติปัฏฐานนะการที่รู้ตัวนั่นแหละเป็นสติปัฏฐานก็คือเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่จะให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะ เ, เพราะนั้นอาการที่เห็นตัวเรานะดีแล้วแต่ถ้าคนไหนมีตัวตนแต่บอกไม่เห็นตัวตนแล้วก็บอกว่าไม่มีไม่มีไอ้ตรงนั้นแหละคือมีแต่ไม่เห็นเช่น สมมุติว่ามีคนมาบอกว่าเออเอยท่านอะยังมีตัวตนอยู่เลยเนี่ยยังยึดยังยึดอะไรนะยังยึดผู้รู้เป็นเราอยู่เลยแล้วก็อคนนี้ก็บอกไม่มีผมไม่มีตัวตนแล้วโอ้ผมเข้าใจหมดแล้วธรรมะเนี่ยตัวตนไม่มีอยู่จริงแม้กระทั่งตอนเนี้ยผมก็รู้ว่าผมไม่มีตัวตนยมนึก อ, อกไหมไอ้คําว่าผมไม่มีตัวตนอะไรๆนะโนะนะตวเบื้เริ่มเลยผมอะไม่มีตัวตนเนี่ย เพราะนั้นพอสังเกตจากคําพูดจากความคิดหรือว่าพฤติกรรมมันก็จะเห็นง่ายว่าโอ้โนี่ไอ้ตัวตนนี่ว่าไอ้ที่พูดไปเมื่อเมื่อกี้หรือไอ้ที่คิดไปเมื่อกี้มันเป็นตัวตนแต่พอรู้ว่าเป็นตัวตนตรงเนี้ยมันก็จะสลายให้เป็นไม่ใช่ตัวตนคือสลายให้จากอัตตาให้เป็นอนัตตาเพราะนั้นเนี่ยมันความสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่ารู้ตัวไหมเออถ้ารู้ตัวมันจบ แต่ถ้าไม่รู้ตัวมันก็เข้าไปเป็นตัวอ่าแล้วก็จะมีทุกจะเป็นทุกขเพราะเหตุว่ามันไม่เห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยจริงๆอมันเป็นมันเป็นอนัตตาเนาะพอไม่เห็นตัวมันเป็นอัตาพอเป็นอัตาเสร็จแล้วมันก็ยึดไปทั่วแหละยึดอาการยึดอารมณ์ยึดขาน่าเออมาเป็นตัวเป็นตนยึดแล้วก็เสร็จอีกเพราะนั้นต้องเพียรเห็นตัวเองเห็นตัวตนแล้วก็จะพ้นไปจากตัวตน